ถึงขั้นบูชาสิ่งเหล่านี้ว่าจะนำมาซึ่งความสุขหรือไปเข้าจ้เข้าเจาเป็นความสุขอย่างเดียวนะที่รู้จักแต่ก็ไม่ตรหนักว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ก็นำมาซึ่งความทุกข์ด้วยโดยเพพาะถ้าไปยึดติดนะไปยึดติดห่วงแหนมันเพราะว่าเพียงแค่อยาก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 ก็ใช้วิธีการขโมยนะไปขโมยสมุดการบ้านไปขโมยชีดการบ้านชีตรายงานจากเพื่อนมีนะมีแม่มีเพื่อนคนหนึงเล่าให้ฟังเนี่ยชีดการบ้านสมุดการบ้านของลูกนี่หายไปไปเจอีกทีปรากฏว่ามันกลายเป็นของเพื่อนอีกคนหนึ่งไปละเขาเอาลิควิดเปเปอนี่ลบชื่อของเจ้าของเดิมแล้วเขียนชื่อของคนที่ขโมย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 บริคารไม่กี่อย่างนะอันนี้เพื่ออะไรไม่ได้เพื่อให้มาลำบากนะแต่เพื่อได้เรให้เรียนรู้ว่าให้มารู้จักความสุขอีกชนิดหนึ่งนะเป็นความสุขที่ไม่อิงวัตถุเป็นความสุขที่ไม่อิ ง, องการมแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการสละออกไปอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าเนคขมมากเหมือนกันนะ เด็กผู้หญิงมาบวชพรามจรินีหรือว่าเนคขมะบางทีก็ไม่รว้เนคขมะมันแปลว่าอะไรคือออกจากกามนะออกจากกามก็คือว่าอยู่แบบง่ายๆนั่นเองนะไม่พึ่ง พ, งพิงอิงอาศัยวัตถุสิ่งเสพเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความสุขที่ดีกว่านั้นที่มนุษย์เราควรจะเข้าถึงหรือมนุษย์เราควรจะรู้จักยิ่งถ้ารู้จักตั้งแต่เด็กนะก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่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 ใครๆก็คิดว่าเนี่ยความสุขมันต้องมีแบบนี้แหละแต่ที่จริงมันมีความสุขที่ละเอียดกว่านั้นที่ประเสริฐกว่านั้นนะเป็นความสุขที่เกิดจากการละในทางโลนี่ความสุขต้องเกิดจากการมีการได้มากๆการเสพเยอะๆนะยิ่งมีมากก็ยิ่งถือว่ามีความสุขหรือว่าประสบความสำเร็จนะสมัยนี้ก็วัดความสาเร็จความสุขกันว่า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 ล้ำเข้ามาเนี่ยถึงหนึ่งในสามนตัวเจ้าของร้านคนนี้เนี่ยหมายถึงตัวเจ้าของร้านที่ถูกเบียดบังเนี่ยสมมติชื่อว่ า, าสมชายก็แล้วกันเนี่ก็ไม่พอใจนะแต่เขาก็อดกลั้นความไม่พอใจไว้ได้ก็พฤติกรรมนี้ก็รู้รเลยนะวันทิสัยใจคอของอีกร้านหนึ่งเป็นอย่างไรถ้าเป็นทางโลกนี่ก็ต้องไปด่าไปว่าหรือไปฟ้องนะแต่ว่าในทางธรรมนี่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 อยู่ดีมาให้ได้ยังไงทีแรกก็ไม่แน่ใจว่าจะรับดีไหมนะพ อ, อสมชายก็บอกว่านะรับเถอะนะผมเนี่ยไปออกไปข้างนอกมาเห็นร้านผลไมน้นี่ถ้าถาังอร่อยก็เลยซื้อมาฝากนะเราเพื่อนบ้านกันนะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันพอพูดอย่างนี้นะเฮงเาก็เออเขาก็รับแล้วก็ขอบอกขับใจใหญ่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 เศร้าความเสียใจความครับแค่เนี่ยมันเล่นงานจิตใจเป็นวักเป็นเวียนจนกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่แสดงว่าปล่อยให้มันเข้ามาลุกลามจิตใจของเรานะเรียกว่าเป็นวันเป็นคืนทีเดียวเราอยจะปล่อยให้มันลุกล้ำเข้ามาไกลขนาดนั้นนานขนาดนั้นนะถ้าเราไหวพอเราฝึกจิตไว้ได้ไวพอเนี่ย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 พลังที่ออกกําลังกายวิ่งจ็อกกิ้งเป็นประจํานีแต่ตายเพราะโรคหัวใจหัวใจหัวใจวายคนก็สงสัยว่ามันทําไมถึงตายนะออกกําลังกายก็ออกนะอันนี้ผลเพราะว่าเครียดเนี่ยเครียดทํางานด้วยความเครียดก็เลยนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับนอนน้อยมันก็ยิ่งทำให้ร่างกายย่าแยนะ่เพราะฉะนั้นถึงจะออกกําลังกายนะแต่ว่าทํางานด้วยความเครียดไม่รู้จักปล่อยรู้จักวางก็ตายเลยเป็นกันนะ 好了，查那个。